จะเจริญพรญาติโยมทั้งหลายไม่ได้มาเทศที่นี่ปีกว่านะมาคราวนี้สบายมีเพลงให้ฟังมีอยู่คราวไปเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลเขากำลังมีงานช้างงานช้างช้างต้องเสียงดังใช่ไหมงานนั้นดันดงดังนะนั่งฟังท่านพูดก็แทบไม่รู้เรื่องเสียงมันดัง ในใจเราสบายเสียงมันก็มีหน้าที่ดังของมันอยู่ที่ใจของเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนักปฏิบัตินะใจไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่เ้าอยู่ตรงไหนก็ต้องมีความสุขได้ถ้าใจมันดิน้นรนใจมันหิวใจมันคันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่วิเศษแค่ไหนหาความสุขไม่ได้งันตัวที่จะชี้ขาด ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจของเราถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีธรรมชาติของจิตมันไหลลงต่ำตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาแป๊บเดียวกิเลส จ, จะเอาไปกินหมดเรามาสังเกตจิตใจของเราให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งกูสอเกิดนิดเดียวนักกูสอเกิดเดยอะเหลือเกินนกูสที่เกิดมากที่สุดก็คือใจลอยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยคือใจห น, นหนีไปเที่ยวมันหนีวิเที่ยวมันไม่ดียังไงจิตมันมีโมหะมันฟุง้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูกไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้ใจเป็นหนีไปเที่ยวถ้าหนีไปแล้วไม่ดูแลให้ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธงั้นกิเลสเนี่ยตามหลังความหลงมาความโลบความโกรธมันตามหลังความหล ง, ามลงมาอีกทีนี่คนส่วนใหญ่มันน่าสงสารมันปล่อยจิตปล่อยใจให้เตลิดเปิดโปงหนีไปตลอดเวลา จิตใจไม่อยู่กับตัวเองหลงไปไหลไปอยู่ในโลกของความคิดก็ปรุง น, น้นปรุงนี้ไปเรื่อยทีนี้เราจะมาฝึกจิตฝึกใจของเราธรรมชาติของจิตนะี่มันไหลลงต่ำก็จริงแต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อบรมได้ขนาดวัวควายฝึกดีๆก็ยังฝึกได้ยกเว้นควายบางตัวฝึกไม่ไหวหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนกับมา้า ม้าบางตัวก็พยศมากนบางตัวก็สอนง่ายบางตัวก็สอนยากบางตัวสอนไม่ได้ในจิตเราก็เหมือนกันนะจิตบางคนสอนง่ายจิตบางคนสอนยากจิตบางคนสอนไม่ได้คนไหนสอนง่ายท่านก็สอนนะคนไหนสอนยากท่านก็พยายามสอนถ้าเจ้าตัวเขาร่วมมือกับท่านถ้าเขายอมฟังนะคนไหนสอนไม่ได้ท่านก็อุเบกขาปล่อยในพวกเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นพวกสอนได้ อาจจะสอนง่ายหรือสอนยากก็ยังดีนะ ย, ยังอยากฟังทำสนใจที่จะมาฝึกฝน พ, นพัฒนาจิตใจของเราเองให้มันดีขึ้นการที่จะมาฝึกฝน พ, นพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่คิดหรอกมันยากสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีนะถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้ดีนะเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้ดีนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเราได้จิตมาเราจะได้ธรรมมา ถ้าเสียจิตไปเราจะเสียธรรมไปจิตอันใดก็ทําอันนั้นแหละถ้าเราได้จิตมาเราก็จะได้ทำนี่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนะท่านสอนกันอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเราฝึกจนกระทั่งเราได้จิตของเราคืนมาจิตมันหนีไปเที่ยวเอาคืนมาครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไม่ทันท่านหรอกตอนท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไม่เกิดไม่ทันท่านหรอกแต่ว่าอ่านประวัติท่านนะ ครั้งหนึ่งท่านไปอยู่กับชาวเขาแล้วท่านก็เดินจงกรมนะภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเดินไปภาวนาไปถ้านจะสอนชาวเขาท่านสอนด้วยวิธีทําให้เขาดูเขาพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยท่านก็ทําให้ดูเดินไปเวลาพระเดินจงกรมเราเคยเห็นไหมท่านจะมองต่าๆหน่อยนะเวลาเดินจงกรมท่านไม่มองยอดไม้มองอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปเหยียบทากเหยียบหอยอะไรตายเนี่ยท่านจะเดินต่ําๆ พวกชาวเขาก็สงสัยมาถามท่านว่าท่านทําอะไรท่านเดินหาอะไรท่านบอกท่านเดินหาพุโทโธพุโทโธของท่านหายให้คนมาหาพุโทโธนะชาวเขาก็มาช่วยท่านหาพุโทโธทุกคนก็เดินเป็นไหนสนใจก็มาเดินจงกลมท่องพุโทโธพุโทโธในใจไปเรื่อยทีแรกก็ยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าตัวพุโทโธมันเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่แปลกๆหามันไม่เจอ นี่พอเดินจงกลมไปเรื่อยจิตมันเริ่มสงบนะจิตสงบแล้วก็เลยเจอตัวพุโทโธอะไรเป็นตัวพุโทโธพุ่จิตนั่นแหละตัวพุโทโธนะพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะงั้นเรามาฝึกฝนตัวเองนะจอกระทังเราเจอตัวพุโทโธทั้ตัวจิตตัวใจของเรานีเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองเพราะว่าจิตมันหนีไปเที่ยวตลอดนะมนเดี๋ยวมันก็หนีไปเรื่องอดีตหนีไปอนาคตนะ หนีไปโนอนไปนี่ด้วยแทนที่มันจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกจิตเรามีพุโทโธแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่นก่อนที่เราจะไปทํากรรมฐานในขั้นที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดเราต้องได้จิตมาซะก่อนต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนเราถึงจะเจริญปัญญาได้ตัวเนี้ตัวสําคัญตัวแตกหักเลย ก่อที่หลงพาอจะบวดนหลวงพาอตรเวนไปดูสํานักปฏิบัติเนี่ยมากมายนะเท่เารู้จักนักปฏิบัติเยอะแยะเลยวิธีน้นวิธีนี้ลองมาเยอะเลยแนละ้วพบอย่างหนึ่งนะว่าบางคนภาวนาได้บางคนภาวนาไม่ได้สังเกตดูคนที่เขาภาวนาได้คือเขาได้จิตมั้ยเขามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเขาใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไปเจริญปัญญา นี่อยู่ๆจะไปเจริญปัญญานะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเอาจิตฟุ้งซ่านเอาจิตหลงๆไปหรือว่าพิจิตนิ่งๆซึมๆนิ่งๆจิตซึมๆนิ่งๆเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้นี่สมาธิที่คนรุ่นหลังเราภาวนากันนะมันสมาธิซึมๆนิ่งๆเป็นส่วนใหญ่ น, นั่งสมาธิแล้วก็ซึมอย่างนี้นั่งไปชั่วโมงแล้วบอกว่าสงบจีจริงไม่ไม่ดีเลย นะขาดสติงั้นต้องมาฝึกตัวเองนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นคือการมาเรียนรู้ความจริงของรูปขอ ง, ของนามของกายของใจความจริงของรูปนามกายใจก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมเนี่ยการเจริญปัญญาเนระต้องมาเห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจ ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความจริงก็ไม่เรียกว่าเจริญปัญญาอย่างบางคนพิจรณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี้ยอันนั้นเป็นเรื่องสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอย่าง ค, คิดเรื่องร่างกายว่าเดี๋ยวต่อไปก็ตายตายแล้วก็เน่านะตายหนึ่งวันศพเป็นอย่างนี้สองวันสวันศพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ดูยากฉีดยาไว้ดูศพก็ยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางคนไม่ฉีดยาก็าอุตส่ามีโรงเย็นด้วย แต่ถ้าตามบ้านนอกนะใช้โรงเย็ยนไม่ดีเลยไฟดับบ่อยกว่าจะถึงวันเผานี่เน่าไปหมดแล้วนี่เราไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นแต่ถ้าการที่เราไปคอยคิดนะตายหนึ่งวันเป็นอย่างนี้สองวันเป็นอย่างนี้สามวั น, น, นมนนีไม่ข่มราคะได้สมถกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยถ้าเราไม่เห็น ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าวิปัสสนาแต่ก่อนจะเดินวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นซะก่อนงั้นเราต้องมาฝึกจิตตัวเองนะอย่าให้จิตมันหลงไปจิตมันธรรมชาติมันชอบหลงชอบไหลไหลไปอดีตไหลไปอนาคตนะไหลไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไหลไปเรื่องคนอื่นซะเป็นส่วนมากสนใจข้างนอก เนีย่ยเสียงดังเนี่ยจิตถ้าสนใจข้างนอกนี่ยมันก็ลืมตัวเองนะี่นี่เขาร้องอะไรอยากรู้ว่าเขาร้องอะไรนะลองตั้งใจฟังสิสังเกตไหมตอนเราตั้งใจฟังนะเราลืมตัวเราเองนีตัวเราหายไปละเนี่ยจิตเลาลงออกไปข้างนอกเนี่ยคนในโลกนะมันมีหลงออกนอกตลอดเลยเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องทํานะรับศีลแล้วอันนั้นดีงานแรกที่สุดละงานถัดมาเนี่ยก็คือมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว การที่ใจจิตใจอยู่กั น, ก น, กนตัวนี้แรีย ว, ว่าจิตมีสมาธิทนะีวิธีที่จะรู้ทันนะใช้วิธีรู้ทันนะหัดพุดโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้นะทํากรรมาฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสะ ก, ก่อนนะใครถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องพ่องยุบ ก, ก็ดูท้องพ่องยุบใครถนัดทําจังหวะนะัขยับมือเป็นจังหวะนะนะถ้ารู้สึกไปนะพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไป หายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปดูท้องฟองยุบแล้วก็รู้ทันจิตไปการที่เราคอยรู้ทันจิตนะเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ทันเมื่อจิตหลงไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดเพราะจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยกลับข้างกันเมื่อไหร่จิตคิดเรารู้ทันเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดถ้าจิตรู้เกิดเนี่ยจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขนะสบายโป่งโล่งขึ้นมา ได้ต้องฝึกให้ได้จิตผู้รู้นี่หลวงพ่อก็สอนให้ดูจิตดูใจนะเพื่อว่าจิตใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นข้อแรกที่ต้องฝึกให้ได้สักเดือนก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านแม่สบายคุณแม่จันดีใครรู้จักไหมคุณแม่จันดีก็เป็นน้องหลวงตามหาบัวไปคุยกับท่านนะท่านถามว่าหลวงพ่อภาวนา ย, ยัางไงคุยกันนะ บอกหลงพ่อพรานารู้ลมหายใจหายใจเปนจิตมันมารวมอยู่ที่จมูกเนี่ยแล้วก็ดูจิตแล้วสว่างขึ้นมาสว่างเวลาเราหายใจไปเรื่อยลมมันจะตื้นตื้นตื้นขึ้นนะแต่เดิมหายใจมันจะลงลึกหัดแรกๆพอจิตเริ่มสงบเนี้ยลมมันจะตื้นไมื่หยุดอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวมันสว่างบอเรารู้จิตอยู่ไม่ใช่ไปดูแสงสว่างอยู่นะ จิตรวมลงไปตัวนี้พุโทโธพุโทโธไปหายใจไปสว่างขึ้นมาเราก็รู้ตัวรู้ทันจิตอยู่ท่านบอกโอ้อันเดียวกันเลยธรรมะลงเป็นเนื้อเดียวกันท่านไหวอย่ายงนี้ท่นบอกเลยว่าอาจารย์มหาบัวหลวงตาสอนท่านนะสอนพุโทโธพุโทโธไว้ตรงนี้ทล้วบอกพุโทโธแล้วเขารู้ทันจิตแม้เคล็ดลับของการพุโทโธหรือเคล็ดลับของการทํากรรมฐานไม่ว่าอะไรนะเคล็ดลับของมันอยู่ที่รู้ทันจิตสายลงพระเตี้ยนขยับเนี่ยขยับไม่ใช่ไปรู้มือ รู้มือรู้ไม้ในนี้จิตออกนอกท่านบอกว่าขยับแล้วก็จิตหนีไปคิดให้รู้ทันนั่นหลวงพ่อเตียนท่านบอกเลยนะเป็นการเขย่าธาตุรู้หรือปลุกให้าธาตุรู้เกิดขึ้นวิธีที่จะให้าธาตุรู้เกิดขึ้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ทันมันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่นะเห็นท้องพองท้องยุบ จิตนี้วิคิดอีกรู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตนีวิคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียกว่าจิตมันทรงสมาธิอยู่จิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเวลานะจะหนีวิคิดไปอดีตไปอนาคตจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตชนิดนั้นเอามาเดินปัญญาไม่ได้นะ แล้วก็ไม่ใช่สมาธิประเภทเสื่องซึมนะนั่งแล้วก็ซึมๆสมาธิซึมๆมเจริญปัญญาไม่ไดไ้ต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งที่พวกเราถนัดใครถนัดพุทโธใช้พุทโธใครถนัดหายใจใช้หายใจนะใครถนัดพองยุบใช้พองยุบอะไรก็ไดนะ้ไม่ได้มีความแตกต่างกันหรอก ตัวสาคัญก็คือว่าพุโทโธไปหายใจไปดูพองยุบไปทํามือจังหวะไปอะไรนี่รู้อิริยาบทสี่ไปนะีแล้วรู้ทันจิตถ้าได้จิตมาแล้วนะคราวนี้พอจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปรู้ทันเรารู้บ่อยๆนะจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อแต่ก่อนชอบพูดเรื่อยๆโอ้คนนี้จิตตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิตตื่นแล้วบางคนไปนลือกันนะว่าหลวงพ่อประโมทรับรองแล้วว่าคนนี้เป็นพระโสดาแล้วจิตตื่นโพจิตตื่นนะั้นแค่ต้นทางที่จะเจริญวิปัสสนา ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาเลยนะตรงที่จิตตื่นขึ้นมานะั้นเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะต้องมาเจริญปัญญานะการเจริญปัญญานั้นทําได้หลายแบบนะในสติปัฏฐานสี่ท่นสอนถึงการรู้กายรู้เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้จิตนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลนะรู้ถ่านตัวนี้รู้ธรรมนะคือสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่มันทํางานคาบเกี่ยวสืบเนื่องกันไป ดูอะไรก็ได้ในนี้นะในสติปัฏฐานสี่บางคนสําคัญผิดนะว่าเบื้องต้นต้องดูกายไม่จําเป็นเลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายนะไม่ใช่ว่าต้องเริ่มจากการดูจิตนั้นเข้าใจผิดสติปัฏฐาน4ี่นั้นคือประตูเมืองสีด้านนะสี่ทิศเข้าประตูไหนก็ได้ถ้าเข้าได้นะส่วนมากเข้าไม่ได้สักประตูเนมะื่อแต่เดินรอบๆบวัดนะอยากจะเข้าวัดเบญจ่าเนี่ย ทางเข้ามีทั้งเยอะแยะใช่ไหมเราก็คิดว่าต้องเข้าทางด้านหน้าด้านเดียวอะไรอย่างนี้ด้านหน้าเกิดเขาปิดประตูเข้าไม่เป็นความจริงเข้าได้สีทิศเลยนะการปฏิบัติก็เหมือนกันดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมก็ได้ดูกายดูยังไงเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราถึงจะมาดูกายได้เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้เป็นจิตสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยเราเรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันนะกายกับจิตเป็นโคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันหลวงตามหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าไม่พี่น่าแยกธาตุแยกขันนะอย่ามาอวดเลยว่าเจริญปัญญา แยกธาตแยกขันไม่เป็นยังเจริญปัญญาไม่เป็นหรอกแยกธาตแยกขันได้เนะี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วสติระลึกรู้ลงในร่างกายเนะี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันนี่นับไม่ท้วนเลยนะบางคนเรียนเดือนเดียวก็เห็นแนละ้วไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรถ้ารู้วิจิณ์ขั้นแรกมันต้องมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้ก่อนจิตหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้นะ อันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพระจิตเป็นที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดูลงไปเลยร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่นั่งนั่งดูไปอย่างนี้นะดูไปดูไปนะก็จะเห็นหนึมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ดูไปอีกความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมาทีหลังนั่นมันเป็นคนละตัวกันความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเลยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกได้สามขันแล้วนะ แยกร่างกายได้ตัวรูปแยกตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างความปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นความทุกข์นะแล้วก็จิตที่เป็นคนดูนี่ตัววิญญาณขันแยกต่อไปอีกพอมันปวดเมื่อยมันมากๆเข้านะใจมันกระวนกระวายชักกังวลแล้วนี่นั่งไปนานๆเดี๋ยวจะเป็นอมพาสไหมนั่งไปแล้วจะพิการไหมอะไรนี่ใจเครียดขึ้นมาใจกังวลหรือใจทุรนทุรายอยากเปลี่ยนอิริยาบถ นั <un> ่งนานแล้วไปนอนดีกว่าอลไรเนี่ยใจมันอยากขึ้นมาขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาร่างกายความปวดความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความขี้เกียจขี้คลานมันอยู่ที่จิตไม้ความขี้เกียจกับความปวดเมื่อยนะคนละอันกันมันคนละขันกันนะความปวดเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันนะความขี้เกียจเนี่ยหรือความกังวลใจเรียก ว, ว่าสังขารขันเป็นความปรุงของจิตจิตมันปรุงเนี่ยแยกไปเรื่อยๆนะเราได้ตั้งสี่ขันแล้ว สัญญาขันเว้นไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันมากนะยุ่งกับมันมากเดี๋ยวเพี้ยนปล่อยไว้ก่อนงั้ <Hum> <ไห>นเราดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูสังขารนะคือความปรุงของจิตก็คือตัวจิตตานุปัสสนานี่แหละดูสังขารนะแล้วก็รู้เท่าทันสภาวะความปรุงแต่งของจิตใจไปเช่นจิตบางทีก็ปรุงนิวรณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้เลยโอ้นิวรณ์เกิดขึ้นมาเราก็รู้นิวรณ์ดับไปก็รู้นิวรณ์เกิดขึ้นม า, าเพราะอะไรก็รู้นิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรก็รู้อันนี้คือทำมานุปัสสนา นะเรียนรู้เข้ามาลึกซึ้งเข้ามาหรือพอดชงนะทำไมพอดชงถึงเกิดนะเกิดขึ้นมาทำงานยังไงยังไงนะหรือรู้อริยสัจ ร, รู้เลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์เนะี่ยอย่างนี้แต่ดูยากนะธรรมานุปัสนาดูง่ายๆดูกายดูเวทนาดูจิตนะดูง่ายกว่า ส่วนธรรมานุปัสนานะสุดท้ายไม่ว่าจะเริ่มจากกายจากเวทนาหรือจากจิตสุดท้ายมันก็เข้ามาธรรมานุปาสนาจนได้มันจะมาแจ้งอริยสัจในเวลาที่จะบรรลุพระอรหันต์ถึงยังไงก็ต้องแจ้งอริยสัจถ้าไม่แจ้งอริยสัจข้ามภพข้ามชาติไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ว่าจะภาวนามาอย่างไงนะสุดท้ายต้องมาลงตรงอริยสัจแต่อย่างพระพุทธเจ้าบารมีมากนะท่านหัดอะไรหายใจใช่ไหมท่านหายใจแล้วท่านรู้สึกตัวนะท่านได้ตัวรู้มานั่นแหละ เสร็จแล้วท่านพิจารณาจิตใจของท่านทําไมมันทุกข์ขึ้นมาไล่ไล่ไล่ไปท่านก็เห็นแจมแจ้งในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมัยก็คือตัวอริยสัตว์นั่นแหละแต่แจกแจงรายละเอียดให้มากขึ้ น, นอย่างระดับพระพุทธเจ้าท่านก็ตลุยเข้ามาทีเดียวเข้ามาถึงอริยสัตว์เลยอย่างพวกเรามาบารมีไม่เท่าท่านนะเราก็เรียนของง่ายดูกายดูเวทนาดูสังขารไป คนไหนถนัดดูกายเราก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเป็นทํางานเห็นเลยร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนไหนถนัดดูเวทนาเห็นความสุขความทุกข์ทางกายบ้างความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็ได้ทางกายก็ได้ทางใจก็ได้เวทนามีสองที่ถนัดดูเวทนาในกายก็ค่อยรู้ไปนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยความปวดความเมื่อยไม่เที่ยงนะเดี๋ย Carl ปวปวดตรงนี้เดี๋ยวย้ายไปปวดตรงโน้นอะไรเนี่ย ดูไปความปวดความเมื่อยก็ไม่เที่ยงบนะังคับไม่ไดนะ้อย่างนี้ก็ได้นะหรือดูเวทนาทางใจก็ได้ขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะรู้สึกเฉยเทางใจขึ้นมาเช่นเราได้ยินเสียงอย่างนี้ลาคาญเนี่ยนะลำคาญโทสะเกิดแล้วนะใจเป็นทุกข์ลนะได้ยินเสียงอย่างนี้นะมันชอบอกชอบใจฟังแล้วมันเพลินมีความสุขนะ ในหูได้ยินเสียงนะใจเป็นทุกข์ก็ได้ใจเป็นสุขก็ได้เวทนาเกิดขึ้นที่ใจตาเรามองเห็นเห็นหน้าของคนนี้เรามีความสุขเห็นหน้าของคนนี้มีความทุกข์ใจเราคิดคิดถึงเรื่องนี้มีความสุขคิดถึงเรื่องนี้มีความทุกข์งั้นมีผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเวทนามเกิดขึ้นที่ใจตลอดมีให้ดูตลอดนะดูเวทนาไปเลยก็ได้จะเห็นเวทนาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้ก็ได้นะหรือดูจิตก็ได้ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะกิเลสมันเกิดนะกระทบอันนี้ชอบกระทบอันนี้ไม่ชอบนะในราคะเกิดโทสะเกิดรู้ทันจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็มีราคะเดี๋ยวราคะก็ดับเดี๋ยวจิตมีโทสะเดี๋ยวจิตที่มีโทสะก็ดับด้วยอย่างนี้ก็ได้นะทําได้หลายแบบในพระไตรปิฎกนะมีใครเคยรู้จักพระอินทร์รู้จักไหมรู้จักที่ไหน ท ำ, ทำมาพยักหน้าอย่างมากก็ได้ยินชื่อใช่ไหมมีโยคลาวนะเท้าสักกะเทวราชท่านจะไปเล่นกีฬานะนี่เท้าสักกะเทวราชกําลังจะไปเล่นกีฬาเกิดสงสัยในธรรมะขึ้นมาพระอินทร์เนียมีนิสัยขี้ลืมนะเป็นนิสัยของพระอินทร์ท่านขี้ลืมงานท่านเยอะ ว, วันวันหนึ่งเทวดาทะเลาะกันบ่อยนะในอัตถกถาบอกเลยนะ พระอินทร์เนี่ยต้องนั่งตัดสินคดีที่เทวดาทะเลาะกันนะเทวดาก็มีโลภมีโกรธมีหลงนะนี้พระอินทร์เนี่ยงานเยอะขี้ลืมแบบผู้บริหารทั่วๆไปนะต้องมีเลขาคอยจดนะไม่งั้นพูดแล้วลืมไปเลยพระอินทร์ท่านกลัวว่าตัวเองขี้ลืมเพราะท่านสงสัยในธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งนะรีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมาทูลถามพระพุทธเจ้าคำถามของท่านน่าฟังมากนะท่านบอกว่าธรรมะอะไรที่เป็นแก่นแท้นะ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมระดับพระอินทุนถามเลยธรรมะสูงสุดเลยในศาสนาพุทธนะอะไรเป็นแก่นสารสาระสําคัญที่สุดในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะแล้วจะปฏิบัติอย่างไงเอาแบบลัดลัดนะนี่ถามแบบเก่งเลยเอาแบบรัดลัดเลยนะที่จะบรรลุ ถ, ถึงธรรมะขั้นสุดท้ายนี่แหละมีไม่มีไหมนี่พระพุทธเจ้าบอกมีแก่นธรรมะของท่านนะก็คือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะ เคยอ่านหนังสือท่านจารย์พุทธทาสบ้างนะจารย์พุทธทาสเนี่ยเอาตรงนี้มาเลยที่บอกว่าแก่นของคําสอนของศาสน า, าพุทธนะสัพเพธรรมานารางอภินิเวศายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเ น, น, นี่ยแก่นอยู่ตรงนี้นะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่ น, นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดที่จะทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่ น, นทํำยังไงนี่พระพุทธเจ้าตอบนะ งั้นต่อไปถ้าใครเข้ามาถามเรา ว, าว่าวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเป็นยังไงไม่ใช่วิธีของเรานะเราก็จะนึกเราถนัดดูกายแล้วบอกดูกายนี่แหละรัดสั้นเราถนัดดูจิตเราก็บอกดูจิตนี่แหละรัดสั้นอันนั้นพูดเราเองรัดสั้นของพระพุทธเจ้านะต้องดูอันนี้นะท่านบอกอะไรนะท่านบอกว่าสนใจไหมเนี่ยแต่ละคนนั้ชอบของรัดๆอยากได้ทางรัดเห็นหแต่ได้ทางรัดต้องปฏิบัตินะ รู้ทางรัดไปแม่ปฏิบัติมันก็สั้นอยู่แค่นั้นแหละมันไม่พัฒนาพระเจ้าท่านบอกงนี้บอกว่าเวลาที่เวทนาเกิดขึ้นเวลามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดเวทนาขึ้นตามองเห็นใช่ไหมก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจหูได้ยินเสียงก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจจมูกได้กลิ่นมันก็มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจใลิ้นได้รส ก็เกิดความสุขความทุกข์ที่ใจร่างกายกระทบสัมผัสเช่นยุงกัดเงี้ยนะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจได้ด้วยนะหรือใจเราคิดนึกก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ได้อย่างคนแก่นะคิดถึงอดีตแล้วมีความสุขเด็กๆวัยรุ่นในนั้นก็ฝันไปถึงอนาคตนะแล้วก็มีความสุขนะให้คนแก่คิดถึงอนาคตนะห่อเหี่ยวใช่ไหมอนาคตทําไมมันสั้นจืดอยู่นะพรุ่งนี้จะหายใจอ ย, อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ แคิดอย่างนี้มีความสุขคิดอย่างนี้มีความทุกข์ง่ายที่สุดเลยรัดสั้นที่สุดเลยในการปฏิบัติตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเนืองเนืองตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเนืองเนืองเวทนาเกิดในใจเราทุกครั้งที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะแล้วคอยรู้ไปอะไรความสุขความทุกข์อะไรง่ายนิดเดียวใช่ไหมดูไม่กี่ตัวเลยดูแค่สุขทุกข์เฉยๆยแค่นี้เองอะ่ะไม่ใช่เรื่องยากอะไร อยางเชไปดูจิตดูใจใช่ไหมดูจิตกิเลสก็มีตั้งหลายตัวใช่ไหมกุศลมีอีกตั้งเยอะแยะเลยจะดูสังขารดูความปรุงของจิตนะมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกางไม่ใช่กุศลอกุศลแต่และอย่างนะมีตั้งเยอะแยะตัวนะความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในจิตมีเยอะแยะนะแต่ถ้าดูเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตมี3ตัวเองนะความสุขทางใจพวกเรารู้จักไหมเวลาจิตใจมีความสุขรู้จักไหม เวลาจิตใจมีความทุกข์รู้จักไหมเวลาจิตใจเฉยๆรู้จักไหมสามตัวสามตัวแค่นี้แค่นี้ไม่มากกว่านี้หรอกสั้นไหมการที่ตามรู้เวทนาเนืองเนืองนะภาษาแขกท่านใช้บอกว่าเวทนาเวทนานุ ป, ปัตสีตามรู้เวทนาเนืองเนืองอนุ ป, ปัสสีปลว่าปัสสีแปลว่าตามเห็นอนุแปลว่าตามปัสสีแปลว่าเห็น ไม่ใช่บัตรสีนะบัตรสนะีไปตามเห็นเนืองเนืองซึ่งเวทนาการที่เราตามเห็นเนืองๆนืองซึ่งเวทนาเนี่ยต่อไปเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวนึกออกไหมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็อยู่ชั่วคราวใช่ไหมมีไมมสุขถาวรทุกข์ถาวรไม่มีนะเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวนะตรงนี้เรียกว่าเห็นอนิจจานนะ อนิจจานุปัสสีตามเห็นความเป็นอนิจจ์อนิจจังไม่เที่ยงเวทนานะสุขก็ไม่เที่ยงทุก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความคลายกำหนัดคลายความอยากนะทุกวันนี้ที่เราอยากเนี่ยเราอยากได้ความสุขเเราอยากหนีความทุกข์ความอยากมีอยู่เท่านี้เองอยากได้ความสุขก็อยากหนีความทุกข์แต่การที่เราตามดูเราเห็นเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยง ดูไปดูไปความสุขก็ไรสาระไม่เห็นจะต้องอยากได้เลยอยากได้มันมานะดิ้นรนได้มันมาแป๊บเดียวนะมันก็เบื่อแล้วไม่มีความสุขแล้วความสุขหายไปนะความทุกข์ก็ไม่เกลียดมันนะเพราะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวมาแล้วมันก็ไปเหมือนกั น, นใจจะคลายความกำหนัดคลายตัณหาลงเรียกว่าวิราคารนะุปัสสีปอปลาไม่หาอากาศสอเสือนะปัสสีพอใจเป็นคลายออกคลายออกนะคลายความอยาก ความดิ้นรนของจิตดับลงก็ถึงสิ่งที่เรียกว่านิโรธานุติย ส, สีนิโรธนั่นเองเนะมื่อไรที่สิ้นตัณหาเมื่อนั้นนิโรธก็ปรากฏเนะมื่อใดใจหมดอยากนะใจที่พ้นจากความอยากก็ปรากฏขึ้นแต่ถ้ามันพ้นชั่วคราวนะมันก็เป็นนิโรธชั่วคราวถ้ามันพ้นเพราะว่าเห็นแจ้งอริยสัจ ร, รู้แล้วว่า ขันทั้งหลายมีแต่ตัวทุกเวทนาทั้งหลายก็มีแต่ตัวทุกไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบคั้นทุกเพราะบังคับไม่ได้ใจจะหมดความอยากถาวร น, นี่แต่ถ้าหัดกําลังหัดกรรมฐานอยู่เนี่ยมันไม่หมดถาวรมันหมดเป็นคราวลตอนที่มีสติรู้ทันนะความอยากก็ดับตอนที่เผลอเมื่อไหร่มันก็อยากอีกต้องฝึกนานฝึกไปฝึกไปนะจนวันหนึ่งเนะี่ยมันเห็นเลยว่าความอยากเกิดแล้วความทุกเกิดทุกจีเลยนะ แล้วมันเห็นเลยเวทนาเนี่ยหาสาระไม่ได้เพราะเป็นของไม่เที่ยงการที่เราเห็นเวทนาเกิดขึ้นเหนื่งๆหน่งต่อมาเราก็รู้ซึ้งลงไปว่าเวทนาไม่เที่ยงต่อไปใจจะค ล, คลายความยินดียินร้ายนะคลายความอยากในเวทนาอยากให้ความสุขเกิดอยากให้ความทุกข์หายเนี่ยความอยากจะหมดไปเพราะมันเห็นเราความสุขก็ไราสาระไม่เห็นจะต้องอยากได้มา ความทุกข์ก็อยู่ช่วคราวไม่เห็นจะต้องเกลียดมันใจจะเป็นกลางนะใจจะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนเมื่อไร่จิตหมดความปรุงแต่งดิ้นรนเมื่อนั้นจิตจะเห็นนิโรดนิโรดก็คือตัวนิพพานจะเห็นนิโรดจิตมันจะสลัดคืนเรียกปฏิสักกานุปัตสีมจะสลัดคืนความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในขันทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่ขวรยึดเลย อย่างเรายึดรูปนะเพราะว่ารู้สึกว่านาความสุขมาให้เเรายึดเสียงเพราะว่าเสียงนาความสุขมาให้เรายึดกลิ่นเรายึดรสเรายึดสัมผัสทางร่างกายเรายึดเรื่องราวทางใจนะเพราะว่ามันนาความสุขมาให้เรายึดตาเรายึดหูยึดจมูกยึดลิ้นยึดกายเรายึดจิตใจของตัวเองเพราะคิดว่ามันนาความสุขมาให้ได้ แต่ถ้าสติปัญญามันแก่รอบนะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นของไร้สาระเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับใจหมดความอยากนะใจไม่ได้ยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในในธรรมารมนะรูปรสกลิ่นเสียงปดทพะธรรมารมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสภาวะธรรมทั้ง6กนะภายในหภายนอหเสมอกันนะ ใจไม่หลงยินดีไม่หลงยินไรเพราะเราไม่ยึดอะไรเลยที่เป็นรูปธรรมและนา ม, มารำตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภพธรรมลมก็เป็นรูปธรรมนำมาทำทั้งนั้นเลยนะแล้วเราเราเฝ้าดูไปเรื่อยนะเฝ้ารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนืองๆตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปบังคับมันว่าจะต้องสุขตลอดเวลาอย่าไปไล่มันว่าความทุกข์ต้องหายไปทันทีดูของจริงลงไปเรื่อย สุดท้ายใจจะเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์ถ้าใจเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์นะใจจะหมดความดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนใจจะเห็นพระนิพพาน <h är> ใจที่เห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยไม่ยึดถืออะไรในโลกจะเห็นเลยว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่ น, นสิ่งที่เรียกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวด ท, าษษรรท่าพ้าธรรมารมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองย่อลงมาก็คือรูปกับนามนั่นแหละใจเราไม่ยึดถือในรู ป, ปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวง นะใจจะมีความสุขนะใจจะพ้นจากความทุกข์จะสลัดคืนขันไม่ยึดถือขันเป็นพระราหัสงองหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าเทศให้พระอินฟังเทศย่อๆเพราะพระอินเป็นนักบริหารไม่ฟังอะไรนานสังเกตไหมผู้ผู้บริหารเวลาฟังอะไรจะฟังสั้นๆฟังไม่ได้สาวดจับไปกระเดียดต่อเลยนะไม่มีเวลามากแล้วนะพระอินก็ฟังอย่างนั้นแหละนี่อย่าไปว่าอย่าไปบอกพระอินนะเดี๋ยวโกรธกัน อันนั้นเป็นพระอินสมัยหัดภาวนาใหม่ๆนะตอนนี้พระอินเป็นพระอริยะนะพระอินเป็นพระอริยะบุคคลพวกเราอย่าดูถูกพระอินนะบาปกรรมพระอินฟังปุ๊บนะรีบกลับไปแล้วบอกข้าพระองค์มีธุระมากข้าพระองค์มีธุระมากมีกิจมากนะขอทูลลาขึ้นไปปุ๊บไปเล่นกีฬาพระโมคคลลานี่ท่านมีฤทธิ์เยอะท่านได้ยิน พระอินมาถามพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าตอบพระอินพระพุทธเจ้าพูดกับพระอินเนี่ยพระโมคคลาไม่ได้ยินเพราะท่านเจาะจงจะให้พระอินฟังไม่ได้เจาะจงให้คนอื่นฟังแล้วลูกศิษย์เนี่ยไล่อาจารย์ไม่ทันได้ยินแต่ว่าพระอินถามยังไงแล้วสุดท้ายได้ยินพระอินสาธุไปแล้วก็ทูลลาพระโมคคลาเลยตามไปตามไปดาวดึงพระอินก็กำลังจะเฮฮาอยู่นะวุ้ยพระมาเหี้ยเพิ่งเล่น พวกเล่นตดนตรีกําลังตั้งวงเนี่ยกําลังจะเล่นสะล้อสอดสืงอย่างเนี้ยพอเห็นพระโมคคลามาแต่ไกลเขายุดหยุดหยุ ด, ยดพระมาพราพระเข้าที่ไหนบอนแตกที่นั่นอะ่ะส mm ัง hmm. เ, เกตไหมเวลาเขาเฮ ห, หานะพระเข้าไปเนี่ยเงียบหมดเลยทําเป็นขุึมขึมทําเป็นว่าเรียบร้อยจริงร้ายนะ <c oughs> พระโมคคลาไปถามพระยินว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรท่านบอกจําไม่ได้ <c oughs> ดูสิส ด, สดร้อนๆนะจําไม่ได้แล้วโอตายแล้ว ลืมโน้ตมานะไม่มีไอไออะไร i p a d iPo ไอแพดไออะไรนี่ไม่มีอัดนะจำไม่ได้นะ <c oughs> ใจกำลังฟุ้งพระโมคคลาท่านเลยแกล้ง <c oughs> ท่านเอานิ้วหัวแม่เท้าท่านสกิดปราศาสเวชยันต์ของพระอินทรปราศานี้สะเทือนเลยที่ปราศาทสะเทือนได้นะเพราะท่านเข้าอาโปรกระสินกสินน้ำก่อนเพ่งเพ่งลงไปที่พื้นปราศาทนะ ฐานรากของประสาทเนี่ยเพ่งลงไปเพื่ให้มันเป็นน้ําสกิดนิดเดียวมันก็โคลงแล้วพอพระสาทไหวเนี่ยพระอินต ก, กใจตกใจรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนนะพระโมคคลาถามอีกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงจําได้ได้จําได้แล้วก็ลวลวเลยตอบพระโมคคลามาพระโมคคลาฟังมาแล้วนะกลับมาถามพระพุทธเจ้าครอสเช็คนะว่าพระอินหลอกหรือเปล่าปราก็ว่าตรงกัน ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนธรรมะอันนี้กับพระโมคคัลลามาแล้วตอนที่พระโมคคัลลาอยังไม่บรรลุพระอรหันต์พระโมคคัลลาเนี่ยเคยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำยังไงจะรัดสั้นที่สุดการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดพระเจ้าก็สอนนี้แหละสัพเพธรรมานารังอภินิเวศายารำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรูปธรรมน า, ามธรรมคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยรูปธรรมนามธรรมไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แต่ถ้าภาวนาถึงขั้นพระละหันนะจะเลยรูปธรรมนามธรรมจะมีธรรมะอีกอันหนึ่งคือนิพพานพระละหันก็ไม่ยึดนิพพานด้วยนั้นะแต่ไม่ยึดอะไรเลยนะท่านถึงจะมีความสุขได้ถ้ายังยึดนิพพานอยู่ก็ยังไม่ใช่พระราารละหันหรอกแล้วก็วิธีปฏิบัตินะก็ให้รู้เวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเวทนาใดเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันลงไปจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงของเวทนาถ้าเห็นความไม่เที่ยงเนืองเนืองนะ ใจจะคลายความยินดีพอใจในเวทนานะใจจะค่อยเป็นกลางสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจก็เป็นกลางต่อสุขและทุกข์พอใจเป็นกลางแล้วนะใจก็ไม่ดิ้นไม่ปรุงนะก็แจ้งนิโรธแจ้งพันิพานขึ้นมานะจิตก็ปล่อยวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็พรอคิดว่ามันนําความสุขมาให้ได้นะงั้นพวกเราวันนี้ให้กรรมฐานแล้วนะให้หลายอย่างแล้วใช่ไหมก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นมาเนี่ พวกเราได้ตั้งสัจจะกับพระพุทธเจ้าเราได้เปล่งวาจาไหมว่าพุทธทางสระนังคัจฉามิเห็น ไ, ไหมเราประกัศประยะปฏิญาณตนแล้วนะว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเรารักษาศีลห้าอย่าเสียคําพูดนะไม่ใช่ปฏิญาณพล่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เสียศีลห้าหายไปแล้ตกหล่นไปไม่ดีรักษาศีลห้าไว้ก่อนคนไม่มีศีลห้าภาวนามไม่ขึ้นสมาธิจะไม่เกิดเกิด มีสมาธิอยู่ก่อนนะพอผิดศีลนะสมาธิจะเสื่อมนะจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยใจจะฟุ้งสัน้นแะลสมาธิไม่มีเสื่อมไปแล้วนะใจไม่ตั้งมั่นนะงั้นขั้นแรกพวกเรารักษาศีลห้าไว้พอรักษาศีลห้าได้แล้วนะมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อก็ตัวนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพอตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนั่นแหะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้น พอเราได้จิตผู้รู้แล้วนะง่ายๆเลยก็ดูเวทนาไปก็ได้นะแล้วใจเราเนี่ยพอตามองเห็นใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หูได้ยินเสียงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยดูความเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นี่ก็ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะรัดสั้นที่สุดแล้วนี่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเองว่เนี่ยรัดสั้นที่สุดและนะงั้นลองลองด ยุคของเรานี้อะไรอะไรก็ต้องเร็วใช่ั้ยกินข้าวเขาก็ต้องฟาสต์ฟู้ดอะไรางี้ต้องเร็วไปหมดอะรถไฟก็วิ่งเร็วเห็นไหมออรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรต้องเร็วไปหมดอะงั้นกรรมฐานของเราก็ต้องเร็วเหมือนกั น, นรู้ทันจิตของเราไว้สุขทุกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไหมถ้าคนไหนไม่รู้สึกว่าน้อยไปก็ดูดีชั่วเกิดขึ้นมาก็รู้ทันนี่อันนี้มีเยอะเลย แค่ชั่วนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูมีให้ดูตั้งหลายตัวถ้าดูง่ายๆก็ดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจดูไปเรื่อยดูแล้วอย่าไปแทรกแซงไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นก็รักษาเอาไว้ถาวรก็ของมันไม่เที่ยงอย่าไปรักษามันได้ยังไงนะความทุกข์เกิดขึ้นมาก็อย่าไปเกลียดมันเลยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันอุตสาห์มาเยี่ยมนะมันมาก็แค่รู้มันไปเดี๋ยวมันก็ไป เฝ้ารู้ไปด้วยนะในสุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางวันนึจะเห็นพระนิพพานได้นะเอาแค่นี้ก็พอเนาะเอาแค่นิพพานก็พอแล้วจบแล้วเนาะการนมัสการหลวงพ่อครับผมอยากจะถามว่าที่ผมปฏิบัติแล้วก็ภาวนา ม, มาดีหรื อ, อยังครับเหรอดีสิถ้าภาวนามันก็ดีเท่านั้นแหละดีกว่าเ ก, กเ ร, รเห็นกิเลสไหมคับ รักษาศีลได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับโอรักษาศีลได้ดีขึ้นก็ดีแล้วนี่เห็นจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวมากขึ้นไหมมากขึ้นครับเออก็ดีอีกแหละเห็นไม <c oughs> เริ่มเห็นไหมว่ากายส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เห็นบ้างไหมรู้สึกครับเออนะรู้สึกอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละนกันเห็นครับเออก็ดีแล้วล่ะได้คาตอบหรือยังครับขอบมากครับ จะทํายังไงให้มีสมาธิมากขึ้นครับือ hmm? จะทํายังไงให้มีสมาธิมากขึ้นครับต้องฝึกนะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินถ้าเราฝึกหลงบ่อยๆมันก็หลงบ่อยแหละถ้าฝึกฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านนี้คนในเดี๋ยวนี้นะมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านมีแต่เรื่องยั่กิเลสเยอะงั้นถ้าเราอยากจะได้สมาธิเราก็ต้องฝึกเอานะจะหัดพุทโธจะหัดรู้ลมหายใจก็ได้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ส <12 S 1> <12. S 2> ิบสองสบสองนี่เยอะกว่าหลวงพ่อสมัยพ่อนานะ เรางพเริ่มหัดพุดโทโธแล้วหายใจตอนอายุเจ็ดขวบหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรนี่ฝึกไปเรื่อยๆถ้าใจเราเคยฝึกให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยใจไม่ไมฟุ้งไปที่อื่นใจก็ได้สมาธิขึ้นมาต้องฝึกเอานะอยู่ๆไม่เกิดหรอก อ, อายุเยอะแล้วนะแก่แล้ว กับนามัส์การหลวงพ่อนะคะช่วงที่ปฏิบัติช่วงนี้พอดีมีสภาวะเกิดขึ้นคือเวลาที่เกิดความคิดนะคะแล้วทีนี้พอเกิดสติขึ้นนะคะไม่ทราบว่าจะเรียกว่าสติได้หรือเปล่านะคะมันจะตัดช่วงของความคิดไปนะคะตัดเป็นช่วงๆค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วก็ตอนนี้ในชีวิตประจําวันนะคะหนูก็เลยแอบเอาคือคือแบบว่าก็แอบสังเกตความตื่นตัวเองค่ะ หลวงพ่อเนี่ยนะมีคอที่เป็นอนัตตาพอหันเอยียงข้างเดียวนานๆนะมันไม่ยอมหันกลับอเออน้เลื่อนๆท่านเอ อ, อยังงี้ข้างชั่วเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ในชีวิตประจําวันนะคะช่วงนี้หนูก็เลยเออนำมันมาใช้บ้างนะคะ <c oughs> เออจะสังเกตถึงความคิดของตัวเองคะ่ะเป็นช่วงๆหนูต้องระวังเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดไหมก็จ้องจดจ่อกับงานนะไม่งั้นอย่างบางคนทําหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ แล้วนะก็เห็นจิตที่คิดปุ๊บดับหมดเลยตรงงานเลยนะจะต้องรู้ตอนนี้มีหน้าที่จะคิดเราต้องคิดให้รู้เรื่องจดจอ่อเวลาที่อยู่เฉยๆไม่มีภาระที่จะต้องคิดเนี่ยจิตชอบแอบไปคิดเรื่อนี้ค่อยรู้ทันบ่อยๆนะทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดยจิตรู้จะเกิดไม่ทราบว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะหนูแบบว่าได้ต้นทางของวิปัสสนาแล้วหรือยังคะ ต้องฝึกให้มากมนะจนกระทั่งคล้ายๆมันทรงตัวเด่นอยู่ทั้งวันได้ยิ่งดีถ้าประเภทชั่วโมงหนึ่งแวบขึ้นมาริงอยางขึ้นไม่ไหวะขึ้นวิปัสนาไม่ทันตัวรู้มันดับซะก่อนแล้วต้องฝึกให้มันชํานาญแบบหลายแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะถ้าฝึกได้ขนาดนี้ต่อไปใจมันจะเด่นขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะดูได้แล้วกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตจิตยังฟุ้งซ่านไปรู้สึกเปล่า ่อย่าช่วงฟุ้งซ่านะ Merry นะเออนะให้รู้ทันเนาะจะให้หายฟุ้งซา่านก็ทำในรูปแบบนะ um. แบ่งเวลาไว้ทำตอนกลางคืนไม่ไหวหมดแรงแล้วนั่งก็หลับลยอะไรเงี้ยก็ตื่นว่ <smoked> <พ>อยๆเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลกินข้าวแล้วนะมากินข้าวก่อพอแล้วก็เดินมานั่งในโบสเนี่ยมาบ่อยมากเลยพนะี่วัดเบนจก ก็ซ้อมมาอย่างนี้นะตั้งแต่เพป็นราวาัดขอบคุณค่ะกลับนับ ก, กาลหลวงพ่อครับผมสองปีแล้วครับที่ยังไม่ได้มามาจากจังหวัดเลยครับท่านครับผมดูลมนะครับแล้วก็ติดลมตลอดเลยนอนอยู่กับลมนั่งเงี้ยก็ลองซ้อมดูลมเพราะว่าไม่ได้ส่งกันบ้านไม่ไทํากันบ้านมามาปั่นที่นี่ครับผ ม, มปรากฏว่า <laughs> พอดูลมไปแล้วจิตมันก็หายไป มาโผลขึ้นเอาตรงที่หลวงพ่อพูดว่าทาง ป, ปฏิบัติที่รัดสันน้นนะครับผ ม, มก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายนะ อ, อย่างจะรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ลมหายใจไปบางทีหายใจไปจิตไม่มีความสุขบางทีบางวันหายใจไปจิตมีความสุขเนี่ยเราก็รู้ทันความสุขความทุกข์ในใจของเราไปก็ได้นะคืออย่าไปหายใจแล้วก็นิ่งแน่นิ่งอยู่กับลมนะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปของนามของกายของใจ อยู่เมืองเลยไปหาหลวงปู่ท่อนก็ได้นะ <c oughs> ท่านสบายครับผมหลวงพ่อครับการที่เราไปรู้จิตคนอื่นเนี่ยยังไม่หายนะครับเมื่อผมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคือเราเข้าไปในที่ชุมชนแล้วมันมันทุกนะครับไม่รู้จะดูที่จิตนะจิตของเราอย่าไปดูจิตของเขาเราไปกระทบอารมณ์นะั้นเราทุกข์ขึ้นมาเราดูที่จิตเราเลยเห็นเลยจิตมันไม่ชอ บ, บดูที่ความไม่ชอบของจิตเราเอง ดูที่ความชอบไม่ชอบเอย้อนกลับเข้ามาดูของเราอเอ ง, องครับนะอย่าไปดูของเขากลับขอบคุณหลวงพ่อครับผมมีอะไรที่หลวงพ่อจะนี่นะต้องทำสม่าเสมอนะกลับนมัสการหลวงพ่อนะครับจะถามว่าเวลาภาวนาใจมันหนักอ่ะครับคือมันเกิดจากอะไรเ <ul> กิดจากโลภโลภอืมอยากรู้ชัดๆอยากรู้ตลอดเวลาอยากให้มันไม่เผลออย่างเงี้ยพอมีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วไปจ้อง ไปดักดูไปรอดูนะถ้าไปดักดูไปรอดูมันมีจะมีอะไรเกิดไม่เกิดอะไรเนี่ยมันจะแน่นงั้นการภาวนาเนี่ยอย่าไปดักดูความรู้สึกอย่างใจมันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขใจมันทุกข์ขึ้มารู้ว่าทุกข์ใจมันโลภมันโกรธมันหลงก็รู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงดูไปสบายๆนะอย่าดูแบบไม่ให้คลาดสายตาแบบจะไม่ให้คลาดสายตาแต่เครียดดูผิดแล้ว หลวงพ่อเราถ้าเวลาเกิดกามกิเลส ข, ขึ้นมานี่จะแก้อย่างไงอะครับให้รู้ทันนะคือกามเวลากามเกิดขึ้นเนี่ยอันแรกเลยเป็นฆราวาดเนี่ยอย่าให้ผิดศีลห้านะอันที่สองจะสู้ด้วยถ้าจะต่อสู้กับมันถ้าจะใช้สมถะอาจาจะพิจารณาร่างกายเราเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะหรือเราชอบใครนะเราพิจนารณาเขาเป็นปฏิกูลอาสุพะไปเลยก็ได้แต่ตัวนี้เสี่ยงนะ ไปพี่าเขาเป็นปฏิกรูอสุภะพี่นาไปพีานามเป็นสุภะขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่อสุภะอย่างนี้หงายทองเลยพยายามดูตัวเองน ะ, น, ะนะร่างกายเราเนี่ยมีแต่ของไม่สวยไม่งามโสปกประบกตั้งแต่ปลายผมลงมาตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเนี่ยข้างในเต็มไปด้วยของโสโครกนะร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาอย่างนี้เหงื่อไหลไตย้อยอะไรนะ ยิ้น่ายอย่างนี้นะใจก็สงบอันนี้สงบเพราะสมถะอีกอันหนึ่งถ้าจิตมีราคะขึ้นมามีกามขึ้นมาเนี่ยถ้าจะใช้วิปัสสนานะก็เห็นเลยกามมันเกิดขึ้นราคะมันเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูราคะ ก, กับจิตเนี่ยโคละอนกันนะพอจิตมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูทันทีที่สติมันเกิดอย่างแท้จริงนะราคะจะดับอัตโนมัตินี่มันอยู่ไม่ได้หรอก แต่ถ้าไม่ดับนี่ก็คือถ้าไม่ดับเพราะเรายังเราทำเหตุของราคาไม่เลิกราคาดับเนี่ยไม่ใช่เพราะกูเก่งไปดับมึงได้นะราคามันดับเพราะเหตุของมันดับเหตุของมันก็คือการตรึกไปในอารมณ์ที่ชอบใจนะถ้าใจยังตรึกไปในอารมณ์ที่ชอบใจยังไงราคาก็ยังมีอยู่นะพระพุทธเจ้านะขนาดพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ขนาดกิก๊กก๊อกอย่างหลวงพ่ออย่างพวกเรา มีคนไปถามท่านว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามมราคะไหมถ้าตอบแบบมักง่ายเขาบอกฉันไม่มีหรอกเพราะฉันเป็นพระอรหันต์ตระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ตอบอย่างนั้นนะท่านบอกว่าเราไม่มีกามมราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกราท่านไม่ตรึกในกามกามราคะก็ไม่มีช่องจะเกิดแต่ทําไมเรามีกามวิตกเพราะเรามีราคานุสัยเรามีอนุสัยที่ยังมีราคะอยู่ อนุสัยยังมีเชื้อยังมีอยู่เดี๋ยวไม่ยอมไปคิดอีกเวลาหลวงพ่อสอนพระพระหนุ่มเน้นน้อยมาเรียนกับหลวงพ่อบอกสู้กามยากเหลือเกินว่อย่าไปคิดมันสิอย่าน้อมใจไปคิดในเรื่องของกามแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดเรื่องกามแล้วให้มันมาคิดถึงธรรมะธรรมโมคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความตายคิดถึงร่างกายอะไรเงี้ยเปลี่ยนเรื่องที่คิดซะแค่นี้กามก็มาไม่ได้ละง่ายง่ายแต่ทํายาก กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือจะเรียนถามปัญหาหลวงพ่อนิดนึงอะค่ะคือปกติก็เจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ตอนเย็นสวดมนต์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปนอนพอนอนเสร็จเหมือนเหมือนมีอะไรเหมือนที่นอนอยู่มันไม่ใช่เราเออไม่ใช่เรานะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะ แล้วท่านมันถอยออกมาแต่หนูก็ไม่ได้ตกใจนะคก็ดูไปอแล้วพออีกสักสองวันพอดีเพิ่งเพิ่งมีเวลามานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิพอนั่งไปที่นี้มันเห็นเหมือนเป็นคลื่นแล้วอีกแป๊บนึงมันก็เห็นเหมือนเป็นเหมือนนั่งเข้าไปในธรรมชีนอย่างเงี้ยอย่าส่งจิตไปนะอย่าส่งจิตตามมันไปทั้นั้นหนูก็เฉยๆแล้วพออีกวันหนึ่งมานั่งอีกทีทีนี้มันเป็นเหมือนอุโมง์เป็นใหญ่ๆแล้วเหมือนเขาแบบว่าจะพาหนูลงไปแต่ว่าหนูก็ กลับมาดูที่จิตจิตกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวดูตรงนี้ไม่ไม่ไปดูปลายทางนู้นหนูก็กลัวแล้วก็แบบกลับมาที่พุทโธพุทโธสองครั้งก็ยังกลัวอยู่พุทโธก็เลยกลับมารู้ว่านั่งสมาธิอยู่ก็ยังกลัวหนูก็เลยขออธิษฐานแบบว่าขออธิษฐานออกจากสมาธิกับพระพุทธเจ้าอีกแป๊บหนึ่งก็เลยมันก็เลยหายไปอ่ะแล้วแทนที่จะไปขอเลิกนั่งสมาธินะขอให้มีสติปัญญาย้อนกลับมารู้กายรู้ใจของเรานี่คือแบบว่ามันตกใจแล้วมันก็เลยแบบกลัว เออใหม่ๆก็กลัวไม่เป็นไรแต่อยา ก, กลัวตลอดชีวิตนะการภาวนานถึงขั้นแตกหักเนี่ยต้องไม่กลัวถ้ายังกลัวนิดเดียวน่ะจิตจะถอนเลยงั้ครูบาอาจารย์ถึงสอนนิพพานอยู่ภากตายออแล้วอย่างนี้หนูจะต้องก็หนูย้อนมาดูจิตตนเองอย่าไปดูนิมิตที่เกิดขึ้ น, นย้อนมาดูจิตเช่นเห็นอุโมงค์แล้วมันกําลังจะดูดเราไปแล้วเราตกใจอย่าไปดูโมงดูจิตที่กําลังตกใจอยู่ ได้ย้อนกลับมาที่จิตนะนิมิตจะหายหมดเลย ม, มันจะนานไหมคะฮะมันนานไหมคะกว่ามันจะหายใจเราไม่ชอบมันดูออกไหมตอนนั้นยังไม่ออกนั่นแหละหัดรู้ทันใจตัวเองจะเห็นในใจไม่ชอบใจกลัวะย้อนเข้ามาที่จิตนะถ้าย้อนมาถึงจิตนะหายทันทีถ้าย้อนแบบอึ๊กยกจะไปแอบดูมันเรื่อยๆแล้วก็ไม่หายสิยาวแต่นิมิตนะ ต้องเจริญปัญญาให้ได้นะคนนั้นจะมาถามเหมือนกันเหตัวแค่นั้นพ่อครับปฏิบัติคือเห็นความคิดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นรูปนามหรือยังแล้วก็จะขอกรรมฐานเพื่อปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะใช้อะไรใช้กรรมฐานอะไรบางทีก็พุโทโธบางทีก็เดินแต่ว่าไม่ไม่ไม พุโทโธก็ได้นะพุโทโธเราก็รู้ทันเวลาจิตมันไหลไปหรือเดินอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้ยังไงก็ต้องมีจิตอยู่ายาง อ, อ, อย่าให้จิตมันหายไปเช่นะเราเดินอยู่เนี่ยก็เห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูถ้าเห็นอย่างนี้สิ่งใช้ได้ถ้าเดินอยู่แล้วเห็นแต่ร่างกายเดินนะจิตไหลไปรวมอยู่ที่เท้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตต้องถอยออกมาเป็นคนดูนะ<ร>สมัยก่อนเนี่ยต้องถาม อาจารย์มนัดเนี่ยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์มาเทศแต่เทศสักครึ่งครึ่งหนึ่งไม่ยาวขนาด น, นี้หรอกครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนนะแต่และองค์แต่ละองค์สอนแต่เรื่องผู้รู้นะต้องมีจิตผู้รู้จิตผู้รู้หลังๆเราลืมตัวนี้ไปเรามีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งไปแล้วเราคอยรู้ทันมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นคนรู้ขึ้นมาให้ได้อย่างร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดู เวลาพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูค่อนะยๆฝึกอย่างนี้ด้วยนะคือเราต้องเอาจิตมาให้ได้ก่อนถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ดูได้นะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ตัวนี้ตัวสำคัญเลยนะตัวแตกหักเลยว่าเราจะภาณนาจเจริญปัญญาได้หรือไม่ได้ที่ว่าสมาธินะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ใช่สงบ สมาธิถ้าไปดูพจนานุกรมนะสมาธิแปลว่าตั้งมั่นนะนี้เราชอบปแปลแปลสมาธิว่าสงบแล้วก็สงบลูกเดียวเลยสงบมากมา ก, มากขาดสตนะิอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่แปลที่ถูกนะสมาธิคือความตั้งมัน่นจิตจะตั้งขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูนะไปดูสิสมาธิเขาแปลว่าตั้งมั่นนะภาษาจริงๆไม่ได้แปลว่าสงบเราแปลกันเอง แต่ในความสงบนะไม่ค่อยจะตั้งมั่นแต่ในความตั้งมั่นมีความสงบนะมาสการครับเวลาทำสมาะแล้วมันฟุ้งครับมันไม่ค่อยสงบครับอย่าอยากสิอย่าอยากเคล็ดลับของสมถะนะก็คือต้องสบายใจใช่ถ้าเราพุทธโทแล้วสบายใจเราก็พุทธโทไปใจพอสบายใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่น ถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วสบายใจเรารู้ลมหายใจใจมีความสุขความสบายใจก็ไม่หนีไปที่อื่นงั้นเคล็ดลับอยู่ที่สบายใจถ้าเราจะทำสมถะแล้วก็บังคับใจเงี้ยไม่มีวันสงบเละเ ค, ครียดนะก็เวลาดูจิตในชีวิตประจาวั น, นครับอะไรนะดูจิตในชีวิตประจาวันนะครับ เ, <อ>เวลารู้สึกตัวแล้วมันชอบไปเพ่งต่อเออนะมันติดสมถะมากไปมันติดเพ่งครับนะ มันติดสมถะแบบไม่ดีนะแบบจิตหลับถลําเข้าไปดูเอาไหมจิตไหลเข้าไปเกาะพยายามรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไหมถ้านั่งก็นั่งขยับขยับไปก็ยังดีเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะขยับหลวงพ่อเนี่ยนี่อาจารย์มนัตเจรรู้ใจใ้มีพัดไหมให้หลวงพ่อหัดกรรมฐานเนี่ยบางทีมีพัดอันหนึ่งเคลื่อนไหวไปใจรู้สึกเนะี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกแล้วพอพัดไปเพลินเพลินนะใจลอยไปโน่นละ ก็รู้ทันว่าใจหนีไปแล้วงั้นกลับมารู้สึกไว้คุณครับอย่าให้ติดนิ่งนิ่งไปดูออกเปล่าเออเปกระดุกระดิกซะอ่ะว่กากล่าวนมาสการหลวงพ่อนะครับได้มีโอกาสขอาการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อวิสาขะนะครับเมื่อประมาณสี่เดือนครึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ส่งการบ้านเลยเห็นควา ม, มเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหม เห็นครับเมื่อเดือนที่แล้ววันที่เก้าอะครับได้ได้ได้ถามคำถามหลวงพ่ออีกครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ส่งกันบ้านเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยคือมันนี้พารู้สึกว่ามันมันไม่จาเป็นต้องถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมอาตัวแต่ทีนี้พอเอิญได้ได้คำแนะนำจากผู้รู้หลายท่านอบอกว่าเราเนี่ยคื อ, อยัง ยังไม่ไม่ไปถึงไหนครับก็เลยขอครามหาลัตาเราสำรวจตัวเองสินะกุศลอะไรเรายังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญดูออกบ้างไหมพอจะได้บ้างครับเราดูสิจิตของเราดีหรือยังจิตของเราตั้งมั่นไหมยังครับนะไปสำรวจเอาตรงไหนยังเป็นจุดอ่อนเราก็พัฒนาขึ้นมา การบ้านครั้งแรกคือหลวงพ่อให้ฝึกรู้สึกตัวเออนั่นเป็นขั้นต้นนะต่อไป น, นี้เราจะเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วคนเราจะพัฒนาตัวเองได้มันต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราเองนะอย่างนิสัยเราขี้โมโหอะไรอย่างนี้เรนะาจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกนะแล้วก็ยึดมั่นความเห็นตัวเองแรงไหมแรงครับเนี่ยพอเราขี้โมโหพอมันยึดถือในความคิดความเห็นรู้ทันมันเลยนะรู้ทันมันลงไปบ่อย ทีนะี้สงสัยวันนี้ที่ฟังอะครับคือเคยฟังหลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานเนี่ยให้อย่าให้มีวิหารธรรมมากกว่า2ใช่มากไม่ดีของผมเนี่ยคือในกรณีที่ตัวเราเองยังไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเหมาะหรืออะไรกับทางไหนเราเลือกไปจิ้มไปเลยได้เลยใช่ไหมครับดูดูจิตดูใจไปเลยก็ได้เราเป็นคนช่างคิดเนี่ยใจเราคิดทั้งวันเวลาที่ใจเราคิดนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย จะดูทั้งหมดก็ได้นะจะดูตัดส่วนเอาเห็นว่าเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุกก็ได้หรือจะดูตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวก็โกรธเดี <S <S <ๆ>๋ยวก็โกรธดูตัวนี้ไอ้นั่นก็ขัดใจนี่ก็ขัดใจเห็นไหมพอมีความคิดความเห็นก็ยึดในความคิดความเห็นแรงเนี่ยเรารู้ทันเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ยึดในความเห็นเดี๋ยวจิตก็ยึดในความเห็นอะไรเงี้ยหรือเดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็โมโหดูไปเรื่อยไม่ใช่เพื่อให้หายแต่ดูจนเห็นเลยว่ามันเป็นของมันเองมันไม่ใช่เราหรอก ดูให้เห็นอนัตตานะโดยจริตนิสัยไม่ใช่ดูอนิจจังทุกขังหรอกครับ ข, ขอเราเลื่อนไว้เช้าดูออกไหมบังคับไม่ได้ยังตอนนี้ <c oughs> ยังดูไม่ให้ออกแต่ดูพอจะดูออกว่าถ้าเหตุหมดเนี่ยเราบางอย่างเนี่ยเราจะไม่มีผลตามมาแต่ว่ามันใช้กับสิ่งที่หยาบๆมากๆจริงๆ <c oughs> แต่ว่าเรื่องลยยังยั ง, ย ง, ยงลมหายใจนี่ก็ยังดูยังไม่ค่อยออก ก็รู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเราหัดให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราก็มาต่อยอดด้วยการรู้ทันความรู้สึกในใจของเราตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดความรู้สึกเกิดที่ใจรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาที่ใจนะอันนี้ต่อยอดนะจากความรู้สึกตัวรู้สึกไ้ว่ารู้สึกตัวมากขึ้นหรื อ, อยัง รู้สึกตัวมากขึ้นกว่านั่นแหละแสดงว่าที่ทหลวงพ่อนะให้การบ้านไว้นะใช้ได้ <laughs> บางคนนะออกให้รู้สึกตัวนะสามปีแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมนะวันวันมันฝึกแต่หลงหลงไปไม่ได้เรื่องนะอย่างนี้ยังดีเมื่อเช้าตอนตื่นนะครับข อ, ข อ, อคือเมื่อเช้าตอนตอนที่หลับอะครับตอนกำลังจะตื่นเนี่ยคือฝันแต่ฝันอะไรจำไม่ได้แต่จำได้ว่าจุดจบของความฝันน่ยฝันว่าตัวเรา ตายแล้วความฝันก็จบลงแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยคือมันมีตัวเราว่าเรากลัวกลัวมากเออนะนสะท้อนให้เห็นว่ามันยังรักอยู่มันมันมันละคือว่าสักผัดก็ก็งวงก็หลับตนไหนก็รักตัวเองมากแนละ้วก็ภาวนาให้เยอะให้<อ> <laughs> ค, คุ้มค่ากับความรักตัวเองนะคนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดเลยแต่ลืมตัวเองทั้งวัน น, ะน่าสงสารจริงจริงมันไม่รักจริงมันรักไปงั้นน่ะ ที่จริงรักกิเลสเพราะนั้นถ้าเรารักตัวเราเองจริงนะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้พนหน้นอำนาจกิเลสไปครับโอเคครับขอบคุณครับกลาวัชการครับก่นานัการหลวงพ่อครับเออเคยเคยไปที่สวนนะครับเคยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อชิตอนผมหลงไปตรงไหนไม่รู้แล้วก็หลวงพ่อบอกพอดีครั้งแรกที่เห็นสภาวะ แล้วก็จําแต่ตรงนั้นได้นะครัะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดูสภาวะอย่างหนึ่งเป็นมันก็ดูอย่างอื่นเป็นมัเกิดแบบเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะไปถนัดรู้หลงทางตาอจะพอพอมันหลงทางตามันก็จะพอรู้ปุ้มก็จะวับหายไปเหมือนมืดไปเลยฮะอวับหายไปแหละจิตจิตมันลงผวังครับเป็นปกติอย่างนั้นทุกคนนั่นคือจิตลงผวาบใช่แล้วประเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ครับ เราจะรู้เลยว่าจิตที่ขึ้นมาใหม่กับจิตดวงก่อนน่ะคนละดวงกันครับเนื้อออกไหมมันไม่ใช่ตัวเดิมครับถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาจนเราเห็นว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงก่อนเป็นคนละดวงกันนะอันนี้เรียกว่าสันตติขาดครับถ้าสันตติขาดเนี่ยจิตขึ้นทีปรัสนาจริงๆแล้วก็เออก็เริ่มรู้สึกเห็นร่างกายมันแยกออกไปรู้สึกมันมันไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเบื้องต้นจะเห็นกายไม่ใช่เราก่อน ต่อไปถือจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราครับ๋ก็ว่าจะเรียนถามว่าวิปัสสนาเริ่มเริ่มเริ่มณจุดไหนครับณจุดจที่เห็นรูปประธรรมานมามธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปโอเคครับแล้วแล้วผมมีความคิดเห็นว่าชีวิตเป็นเรื่องน่าเบื่อครับแล้วก็ไม่ได้อยากเกิดแล้วทั้งทั้งสามภพภูมิ เหมือนกันว่าไอาความคิดเห็นอย่างเงี้ยคือจริงๆจะถามว่าสมัสม น, าานัญญานี่เป็นเป็นเป็นปัญญาในในระดับของความคิดอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ยังคิดอยู่ใจยังไม่ได้เบื่อจริงรู้ออกดูออกไหมมันไม่ได้เบื่อจริงหรอกมันเบื่อเบื่ออยากอยากครับครับดีนะดีที่รู้นักมาตการครับทุกวันต้องทําในรูปแบบนะทํำไหมยังย่อหย่อนอยู่ อยๆครับทำสมาธิเราจะได้ดีกว่านี้นั่งแล้วนั่งไปแล้วพอง่วงแล้วก็ไปนอนเลยครับหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อใช้วิธีกินน้ําเยอะๆนะเวลาจะนอนอ่ะแล้วพอนอนไปได้สักสองชั่วโมงเลยเนี่ยปวดฉี่แล้วมันก็ตื่นแล้วตื่นมาเดินไปห้องน้ําก็ได้ภาวนาละอืมครับเดี๋ยวจะกินน้ํำเยอะๆครับ หลวพ่อจให้พรยถาวาริวหฮาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกพวะอภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจัตตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังปัจจัยทยทานหลงพ่อมอบให้จันทร์มานัดนะไม่ใช้ประโยชน์ในงานของกลุ่มนี้แหละ